ให้เรามีความรับรู้อยู่ที่ปลายสมองของเราไม่ต้องตามลมถ้าตามลมนี่ก็รู้สึกว่าใจยาวให้เปรียบเสมือนกับนายประตูทาวานที่นั่งอยู่ประตูรถยนต์คันไหนวิ่งเข้ามาก็รู้รถขนคันไหนวิ่งออกไปก็รู้การสร้างความรู้สึกรู้ตัวนี่เรียกว่าเจริญสติแล้วก็พยายามสร้างความรู้สึกให้ต่อเนื่องก็เรียกว่าสัมปชัญญะ จะความรู้สึกพังเผอไปแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่ความรู้สึกพังเผอไปแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่ความรู้สึกตรวจตรงนี้ถ้ามีมากขึ้นมากขึ้นก็จะรู้กายของเราแล้วก็รู้จิตเวลาจิตจะส่งออกไปภายนอกเราก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่เรารู้จักควบขุมรู้จักดำเวลาอาการของความคิดที่จะผุดขึ้นมาผงแต่งจิตเราก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ ว่าเขาขอดัวยอย่างไรเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจิตของเราเข้าไปรวมกับความคิดได้อย่างไรตรงนี้แหละสำคัญคนส่วนมากคนทั่วไปศรัทธาก็มีกันเต็มปีบักใฝ่สนใจในการทำบทุญในการให้ทานอยู่ตลอดเวลาแต่ขาดการเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเท่านั้นเองก็เลยไม่รู้ความจริงซึ่งเป็น กับอาการของกิดซึ่งเป็นฝ่ายนามมาธรรมว่าเขาเกิดอย่างไรไปอย่างไรอะไรคือรูปปรธรรมอะไรคือนา ม, มาธรรมกายของเรานี่แหละกอนรูปส่วนความคิดส่วนอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมาฝ่ายนามมาธรรมมีอะไรบ้างซึ่งพระพุทธองค์ท่านก็ชี้แนะแนวทางเอาไว้ให้ก็คืออาการของขันหานั่นแหละรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในอารมณ์รอบรู้ในความคิดซึ่งเรียกว่ารอบรู้ในโลก โลก็คือกองทั้งขาดห้องเรากองทั้งขาดมีอะไรมีกี่กองมีห้ากองเข้ากายของเรานี้แหละแยกจําแนกแจกแจงออกก็จะมีห้ากองกองจิตกองกองวิญญาณกองความคิดกองอารมณ์กองอดีตกองรูปหลายสิ่งหลายอย่างมาประชุมรวมกันมีหนังห่อหุ้มมีวิญญาณเข้ามาครอบครองก็เลยมายึดมันถือมันว่าเป็นตัวตนของเราจริงๆ มันก็เป็นตัวตนของเราจริงๆนั่นแหละในทางสมมติแต่ในทางมีมุติแล้วก็ถ้าถึงวารละเวลาเขาก็ต้องแตกสลายกับคืนสู่สภาพเดิมคือดินน้ำลมไปกับคื้นสู่สภาวาเดิมมันก็เสื่อมสลายไปตามการทำเวลาของเขาถ้ายังไม่ถึงเวลาเขาก็ยังไม่เสือ่อมก็เสื่อมตั้งแต่เกิดพอเกิดขึ้นมาก็เริ่มเสื่อมพอก่อตัวขึ้นมาก็เริ่มเสื่อมเสื่อมขึ้นแล้วก็เสื่อมลง เรื่อนนี้องทุกครั้งอนัตตาความไม่เที่ยงของร่างกายตั้งแต่เกิดเกิดขึ้นแล้วก็เจริญไวขึ้นจเจริญไวขึ้นเต็มที่แล้วก็เสื่อมลงเสื่อมลงแล้วก็กลับขึ้นสู่สภาพสภาวะเดิมไม่รู้ว่าจะกลับขึ้นสู่สภาวะเดิมในช่วงไหนเวลาไหนเท่านั้นเองเราก็อย่าประมาทเราก็มาสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในสมมติประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้า ให้โลกหน้าเอาไว้ทีหลังเรามาทำปัจจุบันนี้ให้ดีมาชำระสาสางกิเลสก็คือกิตติใจของเราให้ดีไม่ให้จิตของเราไปหลงไปยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งต่างๆแล้วก็มันสร้างกุศ ล, ลกับและอกุศลจเจริญกุศลได้มากๆมีความรับผิดชอบมีความเชี่ยวมีความอดทนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็นะว่งมีบุญอย่าไปปิดขั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสว่าไม่มีเวลาเรามีเวลาอยู่ทุกลมหายใจเขาออก การได้ยินได้อ่านได้ฟังทุกคนก็ศึกษากันมาเต็มที่แต่การเริ่มลงมือปฏิบัติเนี่ยการวิเคราะห์การสังเกตการจําแนกแจกแจงการเกิดการดับของกิจการเกิดการดับของขันห่าเขาก็มีอยู่แล้วเพียงแค่เรามาสร้างความรู้ึกตัวให้ต่อเนื่องให้มักๆเราก็จะรู้เท่าทันได้ตื่นขึ้นมาเอาเรื่องจะตื่นขึ้นมาเลยนะนั่นก็ยังไม่รู้จักที่พอรู้ตัวปุ๊บเราก็พยายามสร้างความรู้ึกรับรู้ รู้จิตมาจิตปกติลูกกายจะลุกจะก้าวจะเดินก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่จิตจะส่งออกไปภายนอกหรือว่าชิดปวงแดงสงออกไปเราก็รู้ ท, ทันเรารู้จักับส่วนมากจะไม่ค่อยจะได้ทํากันต่อเนื่องกันเท่าไหร่ขณะที่เราทําอยู่ก็ยังมีการพลั้งเผยเราก็ต้องพยายามอดทนอดกลัน้นเอาคอยฝึกผลตนเองทีละเล็กทีละน้อยจิตของเราได้รับความสงบเล็กๆน้อยนอยก็อานิสงก็มากใหม่แล้วลึกได้เมื่อไหร่เราก็รีบดู อย่าไปเรื่อง ก, การเลือกเวลาเวลาโน้นถึงจะทําเวลานี้ถึงจะทําเรามีหน้าที่อย่างไรทั้งภายนอกภายในสมมตุติเราก็ทําให้เรียบร้อยเสียรู้จักรับผิดชอบต่อตัวเราเองรู้จักตัวเราใช้ตัวเราให้ได้ใช้ตัวเราให้เป็นรู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเราถ้าเราไม่แก้เราแล้วไม่รู้ใครเขาจะแก้ไขให้เราได้กิเลสก็เกิดขึ้นที่เราเราก็รู้จักละรู้จักดับกิเลสจากกิเลสตะเอียดลึกถึงไฟเกาะ ความคิดอารมณ์ที่พุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราว่าต้องฝยายยามกัน